ทฤษฎีแห่งความสัมพันธ์ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความหวังของใครสร้างเหตุปัจจัยที่จะนาไปสู่ผลนั้นๆเถิดโดยไม่ต้องสร้างความหวังจากหนังสือฝนประปรายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติต่อให้ดัดแปลงอย่างไรสุดท้ายมันก็คืนสู่ธรรมชาติโทรศัพท์ ทีวีคอมพิวเตอร์ดัด แ, แปลงให้สะดวกสบายใช้ได้ทันสมัยขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องกลับคืนไปเป็นดินน้ำลมไฟอากาศอย่างเดิมก่อนที่จะถูกปรุงแต่งอยู่ดีดังนั้นการที่จะเข้าใจธรรมชาติได้ก็ต้องเห็นธรรมชาติที่มันมีวิวัฒนาการของมันเองไปเรื่อยดังนั้นเมื่อมีเกวียนก็ต้องมีรถเมื่อมีรถก็ต้องมีเครื่องบิน เมื่อมีเครื่องบินก็ต้องมีเทคโนโลยีด้านอวกาศไปเรื่อยๆเมื่อก่อนอยู่ถ้าก็เริ่มมีบ้านก็เริ่มมีตึกไปเรื่อยๆตามวิวัฒนาการจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะอยู่กับธรรมชาติที่มันถูกปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่การอยู่โดยเข้าใจธรรมชาตินั้นก็ต้องเห็นมันเป็นอย่างนั้นเองของมันอย่าไปตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างที่เราต้องการ เพราะถ้าตั้งความหวังเมื่อไรความผิดหวังก็รออยู่แล้วเมื่อนั้นอย่างเช่นเราอยากปลูกดอกไม้หว่านเมล็ดดอกดาวเรืองลงไปในดินหวังจะให้ดอกดาวเรืองขึ้นมาเต็มพื้นที่ออกดอกสีเหลืองสวยงามแล้วเราก็เฝ้ารดน้าลงไปแต่ว่ากลับมีต้นไม้อื่นงอกขึ้นมาพร้อมๆกับต้นดาวเรืองเต็มไปหมดซึ่งเราก็ย่อมไม่พอใจเพราะต้องคอยมานั่งถอนต้นหญ้าออกจากต้นดาวเรือง ทำไมไม่มีแต่ต้นดาวเรืองเท่านั้นฉันต้องการแต่ดอกดาวเรืองเท่านั้นฉันไม่ได้ต้องการต้นหญ้าฉันไม่ได้หวานแกลงไปแกขึ้นมาทาไมถ้าถอนต้นหญ้าไปโมโหไปอารมณ์หงุดหงิดคุณมัวไปนั่นเพราะความไม่เข้าใจในธรรมชาติก็ทาให้อุปทานว่าต้นดอกดาวเรืองของเราแต่ต้นหญ้าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เกิดขึ้นมา แต่ธรรมชาติมันไม่ได้สนใจว่าเราเจะสุขหรือทุกข์เพราะมันต้นหญ้าที่มันมีพันฝังอยู่ในดินเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมมีน้ำมีแดดมีองค์ประกอบพร้อมมันก็งอกขึ้นมาตามกลไกของมันมันอาจจะงอกงามได้เร็วมากกว่าต้นดาวเรืองด้วยซ้ำคนที่ต้องการแต่ต้นดาวเรืองเท่านั้นที่จะมีโอกาสสุขหรือทุกข์กับต้นหญ้าส่วนเกินเหล่านี้ ถ้าต้องถอนหญ้าไปแล้วก็โมโหไปคุณมัวไปอารมณ์ก็หุดหิดคุณมัวเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจธรรมชาติก็ถอนต้นญ่าตามที่มันขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารต้นดาวเรืองที่กําลังจะโตขึ้นมาก็ทํางานนั้นด้วยอารมณ์ปกติงานที่ทําเท่ากันตามที่มันเป็นอยู่แต่อารมณ์ไม่เท่ากันธรรมชาติมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยก มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกลไกที่มาปรุงแต่งดังนั้นการที่เรามองเห็นของสองสิ่งไม่เท่ากันนั้นก็มีผลให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งเสมอจึงมีความเหลื่อมล้าต่ำสูงเกิดขึ้นเสมอมีการเปรียบเทียบเรื่อยไปคืออันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้สวยกว่าอันนี้อันนี้แย่กว่าอันนี้อยู่ร่าไปธรรมะก็สอนว่า อย่าไปเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราหรือเราเสมอเขาเพราะเราจะเกิดการนำไปเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งนั่นเองเมื่อเขาดีกว่าเราก็ไม่พอใจเมื่อเราดีกว่าเราก็เกิดความหยิ่งยะโสโอหังหรือถ้าเรากับเขาใกล้เคียงกันหรือเสมอกันเราก็อยากมีให้มากกว่าให้ดีกว่าอยู่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้ว มันไม่มีการเปรียบเทียบรอกทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลตามเหตุปัจจัยของเขาเท่านั้นเองมันจึงไม่มีคนรวยไม่มีคนจนไม่มีคนพอมีพอกินเกิดขึ้นจริงๆแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่ผลักดันไปตามกลไกนั่นเองธรรมชาติก็เช่นกันต้นดาวเรืองกับต้นหญ้ามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกัน ต้นมะม่วงกับต้นประดู่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันชาวสวนชอบต้นมะม่วงนักอนุรักษ์ชอบต้นประดู่นักท่องเที่ยวชอบดอกไม้สวยงามแล้วแต่ใครชอบสิ่งไหนในภูเขาทั้งลูกมีต้นไม้เต็มไปหมดต้นสักต้นยางต้นเต็งต้นรังต้นมะม่วงพุทราต้นไม้ใบหญ้ามากมายทุกต้นก็ขึ้นอยู่กันเองตามธรรมชาติ แต่ผู้ที่เข้าไปในป่านั้นต่างหากที่ต้องกระทบกระทั่งกับภาวะอารมณ์ของตนเองถ้านักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในป่าเห็นดอกกล้วยไม้ก็ชอบใจเห็นต้นหนามก็ไม่พอใจนักอนุรักษ์ไปเห็นต้นสน ก, ก็พอใจคนหาหน่อไม้เห็นกอไผ่ก็พอใจเพราะเก็บหน่อไม้ได้มันจึงอยู่ที่เหตุปัจจัยแต่ละคนเด็กดูหนังการ์ตูนก็พอใจ แม่บ้านดูรายการอาหารก็พอใจพ่อบ้านดูข่าวการเมืองก็พอใจในบ้านหลังเดียวกันยังมีความพอใจไม่เหมือนกันนั่นเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลไม่มีใครผิดใครถูกถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติก็จะไม่มีการแบ่งแยกจะเห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองไปเที่ยวป่าหน้าฝนก็ต้องมีต้นไม้สีเขียวชุ่มชื่น เข้าป่าหน้าแรงก็ต้องเห็นต้นไม้ยืนแห้งสีน้ำตาลเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไปครั้งแรกสวยครั้งหลังแห้งแรงรู้สึกผิดหวังเบื่อหน่ายก็ต้องเห็นอารมณ์เบื่อหน่ายเป็นธรรมดาของการปรุงแต่งตามความคิดนั้นดังนั้นถ้าเราสามารถมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติในสังคมยุคปัจจุบันได้ก็จะทาให้สิ่งที่จะมากระทบอารมณ์ปรุงแต่งน้อยลง ดอกกุหลาบสีแดงกับสีชมพูก็เหมือนกันตามธรรมชาติแต่ความรู้สึกเราชอบสีชมพูดังนั้นเมื่อหาซื้อสีชมพูไม่ได้มีแต่สีแดงก็ไม่ชอบใจงุดงิดใจเพราะมีอุปทานกับสีชมพูมากกว่าแต่ความจริงกุหลาบก็คือกุหลาบจะสีอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองตัวดอกกุหลาบเองสักแต่ว่าขึ้นมาตามเหตุปัจจัยมันไม่เคยสุ ไม่เคยทุกข์แต่คนไปอุปทานกับมันต่างหากที่สุขได้ทุกข์ได้ถ้าเห็นว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรามีโอกาสจะสุขทุกข์กับสิ่งรอบข้างได้ตลอดเวลารถมาช้าก็หงุดหงิดคนแน่นก็งุดหงิดแดดร้อนก็งุดหงิดไปกินข้าวคนเยอะก็งุดหงิดถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อ มันเลิกงานคนก็เยอะอย่างนี้แหละถนนสายนี้มันเล็กรถก็ติดอย่างนี้แหละแดดออกมันก็ต้องร้อนอย่างนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดว่ามีสองสิ่งคือรถน่าจะติดน้อยกว่านี้คนน่าจะน้อยกว่านี้แดดน่าจะอ่อนกว่านี้ความจริงมันก็เป็นของมันอย่างนี้ตามเหตุปัจจัยวันหยุดรถก็ไม่ติดคนบนรถก็ไม่นันเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นวันหยุด ที่ไม่มีคนอยากออกจากบ้านนั่นเองก็เป็นมุมมองของธรรมชาติอีกมุมมองหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นสองเป็นสามเพียงแต่มีสิ่งอื่นมาปรุงแต่งจึงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเท่านั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองในมุมมองของธรรมะวิทยาศาสตร์และมนุษย์ต่างดาวแม้ปัจจุบัน มนุษย์โลกจะมีความเจริญทั้งสองด้านแต่ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างมุมมองคิดในส่วนที่ตนเองรู้และพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามนั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรคนปฏิบัติธรรมะก็ปล่อยวางด้วยวิธีการศึกษาด้านธรรมะพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นเองไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไร ส่วนในมุมมองของวิทยาศาสตร์อารมณ์ของเราก็ขึ้นอยู่กับสารเคมีในร่างกายมนุษย์แพทย์ท่านนั้นจะสนใจธรรมะหรือไม่ก็ตามแต่เขาก็รู้ว่ากลไกของร่างกายมนุษย์มันขึ้นอยู่กับสารเคมีในสมองต้องควบคุมความคิดให้คิดแต่สิ่งที่รื่นรมย์อย่าเครียดเพราะจะทำให้สารเคมีประเภทที่เกิดโทษต่อร่างกายหลั่งออกมาทาให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นได้ แต่หาคิดเรื่องวิตกกังวลอยู่อย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสารเคมีหลั่งมากเกินไปทําให้มีอาการเครียดรุนแรงซึมเศร้ารุนแรงก็ต้องจ่ายยาควบคุมสารเคมีในสมองให้อยู่ในสภาพที่สมดุลเพื่อลดอาการเครียดวิตกกังวลหรือความหดหู่เศร้าหมองที่บุคคลผู้นั้นกําลังเป็นอยู่ดังนั้นแพทย์ก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ และก็ให้ยารักษาไปตามอาการนั้นๆั้นสูตรมนุษย์ต่างดาวบอกว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นกลไกของขันห้าของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกันทั้งสองด้านคือทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านจิตเพียงแต่อาจจะรู้กันคนละมุมคนละด้านเท่านั้นดังนั้นจึงได้มีการอธิบายกลไกของร่างกายมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักอีกมุมมองหนึ่ง มุมมองของธรรมชาติที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และทางจิตผสมกันและเพื่อที่จะเห็นว่าขันห้ามันมีนกลไกของมันเองตามธรรมชาติเมื่อรู้จักขันห้าตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะเป็ น, นกลไกอย่างนั้นเองร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุและพลังงานธาตุทางเคมีที่ประกอบกันอยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งเราก็รู้ว่า มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุประกอบกันอยู่และมีาธาตุรู้หรือที่เรียกว่าจิตเป็นตัวขับเคลื่อนและาธาตุหยาบทุกอย่างในร่างกายจะมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์หรือทางวงการแพทย์ทั้งหมดซึ่งเป็นชื่อของาธาตุทางเคมีการลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดเป็นทารกแรกเกิด เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หรือวัยชาราเซลล์ทั้งหลายก็ไม่ใช่เซลล์เดียวกันเซลล์เดิมถูกเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปหมดแล้วมีแต่เซลล์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมะก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแปรปรวนตลอดเวลาเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา ซึ่งก็ถูกต้องทั้งสองด้านทางวิทยาศาสตร์ภายในสมองก็มีไฟฟ้ามีสารเคมีมีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อนความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สบายกายสบายใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่หลั่งออกมาตามความคิดที่เป็นตัวชักนํานั่นเองทางธรรมะมีการปฏิบัติธรรมเพื่อควบคุมความคิด อารมณ์ให้เป็นไปในแนวทางที่เป็นกุศลเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์ซึ่งการคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำให้ผู้นั้นมีความสุขเพราะมีความสงบเย็นอิ่มเอิบในจิตใจแต่ถ้าพยาบาทมุ่งร้ายผู้นั้นจะมีแต่ความทุกข์ร้อนรนและหาวิธีแก้แค้นต่างๆซึ่งมันอยู่ในข่ายของความทุกข์ซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นเองอยู่แล้ว มันเป็นไปตามกลไกลของธรรมชาติเพราะกลไกลของร่างกายมนุษย์มันจะอิงกันกันกบความคิดความรู้สึกของมนุษย์ผู้นั้นเมื่อมีความคิดดีมีความปรารถนาดีมีความเมตตาสงสารเกิดขึ้นความคิดนี้ก็เป็นกระตุ้นสารเอนโดรฟินในสมองให้มันหลั่งออกมาเมื่อร่างกายได้รับสารเอนโดรฟินก็จะทําให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองด้านบวกสดชื่นแจ่มใสอิ่มเ อ, อิบ อารมณ์ดีที่เราเรียกว่ามีความสุขนั่นถูกต้องแต่หากความคิดที่ออกมาเป็นไปในทางความโกรธพยาบาทหรือวิตกกังวลความคิดนั้นก็จะไปกระตุ้นสารเคมีประเภทที่เป็นด้านลบในสมองให้หลั่งออกมาเมื่อสารเคมีชนิดนี้หลั่งออกมาแล้วก็จะมีปฏิกิริยาด้านลบส่งไปถึงอารมณ์ให้มีความทุรนทุรายร้อนรนหรือวิตกกังวลตลอดเวลา ซึ่งอารมณ์จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารเคมีที่หลั่งออกมาถ้าหลั่งมากเกินไปก็จะอาลวาดทำร้ายผู้อื่นได้หรือเศร้าโศกเสียใจจนคิดฆ่าตัวตายได้ดังนั้นเมื่อมีการคิดแต่พยาบาทครั้งแล้วครั้งเล่าสารเคมีตัวนี้หลั่งออกมามากเกินไปก็จะคุ้มคลั่งต้องส่งโรงพยาบาลประสาทซึ่งแพทย์ก็จะทำการรักษา ด้วยการจีดสารเคมีที่จะไประ ง, งับการหลั่งของสารเคมีชนิดนั้นให้อยู่ในภาวะสมดุลอาการจึงจะสงบลงได้ดังนั้นสารเคมีจึงเป็นตัวแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ต่างๆนี่คือผลที่เกิดจากเหตุนั้นๆดังนั้นเราจึงต้องย้อนกลับมาที่เหตุก่อนโดยก่อนที่จะหลั่งสารเคมีใดๆออกมาก็จะมีตัวความคิดเป็นตัวชี้นา อย่างที่บอกแต่ต้นเมื่อมีความคิดดีสารเคมีประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็หลั่งออกมาเราสดชื่นเราสบายกายสบายใจที่เราเรียกกันว่าความสุขเมื่อคิดร้ายวิตกกังวลสารเคมีที่หลั่งออกมาก็ทำให้เราโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เราเรียกกันว่าความทุกข์ เราจึงต้องมาสกัดกั้นที่ต้นเหตุก่อนที่จะส่งไปที่ผลคนที่ปฏิบัติธรรมะย่อมจะรู้ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้มีความรักความหวังดีให้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ร่อยกว่าให้อภัยกับความคิดร้ายของผู้อื่นนี่เป็นกุศโลบายในทางพุทธศาสนาคือการให้เปลี่ยนความคิดเมื่อคิดพยาบาท อย่าเลยให้คิดเมตตาเขาดีกว่าเมื่อคิดริษยาอย่าเลยมีมุมทิตาจิตหรือพรอยินดีกับเขาดีกว่านี่เป็นอุบายให้เปลี่ยนความคิดจากด้านลบเป็นด้านบวกเมื่อใดที่คิดเอนด้านบวกสารเอนโดฟินก็จะหลั่งออกมาตามกลไกของความคิดนั้นซึ่งเป็นธรรมดาตามกลไกของร่างกายสารเคมีนั้นก็จะไปทาปฏิกิริยาให้เกิดอารมณ์ด้านดีขึ้น ผู้ที่คิดก็จะมีแต่ความสุขความอิ่มเอิบในจิตความสงบเย็นในอารมณ์และเมื่อกระทำเช่นนั้นบ่อยครั้งเข้าจิตก็จะบันทึกเป็นอัตโนมัติคือเมื่อมีอะไรมากระทบไม่ว่าด้านใดแนวความคิดก็จะไปในทางเห็นอกเห็นใจให้อภัยสงสารและจัดการไปในสิ่งที่สมควรโดยไม่ได้มีความโกรธเคืองเป็นตัวชี้นาบุคคลคนนี้ก็จะกลายเป็นผู้มีอารมณ์ดี มีเมตตาอยู่เป็นนิดดังเราจะเห็นได้ในผู้ที่ปฏิบัติจิตในขั้นสูงจะมีอารมณ์เยือกเย็นสงบมีเมตตาและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขเพราะสารเคมีก็จะหลั่งออกมาในด้านบวกอย่างเดียวส่วนคนที่มีแต่ความฉุนเฉียวโกรธง่ายวิตกกังวลหดหูเศร้าหมองไม่มีความเมตตา คิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นตลอดเวลาความคิดเหล่านี้ก็ไปกระตุ้นสารเคมีด้านลบให้มันหลั่งออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็จะมีแต่ความทุกข์ทุกข์และทุกข์ตลอดเวลาซึ่งมีอยู่จำนวนมากในโลกมนุษย์ยุคนี้ดังคำว่าสวรรค์นในอกนรกในใจที่ธรรมะกล่าวไว้มันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองเมื่อคุณคิดดี สารเคมีด้านบวกหลังคุณก็มีความสุขจิตใจสบายความสุขก็เกิดได้ในปัจจุบันเมื่อคุณคิดร้ายคิดอิจฉาริษยาพยาบาทสารเคมีที่เป็นด้านลบก็หลังออกมาทำให้อารมณ์ร้อนรนทุร น, ท, รนทุรายกระวนกระวายทุกข์ใจก็เกิดได้ในปัจจุบันเช่นกันดังนั้นหลักของพุทธศาสนาเป็นเช่นนี้สอนให้เราทำเหตุที่ดี เพื่อผลที่ออกมาก็ย่อมดีตามไปด้วยเพราะมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติในหลักของกลไกตามธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนั้นเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่เราเลือกได้เพียงแต่เราจะมีความจริงใจที่จะเลือกมันหรือไม่เท่านั้นจึงเป็นเพียงการมาบอกขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่ความเป็นอย่างนั้นเองของธรรมชาติและเป็นแนวทางที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่ากินข้าวในถาดธรรมดากับกินข้าวในถาดทองคาถ้ามีความพอใจเท่ากันก็มีความสุขเท่ากันซึ่งในสมัยก่อนเราก็ยังเถียงอยู่ในใจว่า จะสุขเท่ากันได้อย่างไรคนรวยล้นฟ้ากับคนที่ทํามาหากินไปวันวันมันน่าจะมีความสุขต่างกันแต่หากลงนําเรื่องนี้มาเทียบเคียงโดยบอกว่าคนที่มีเงินมากมายไปกินอาหารพัตตคารหรูหรามือละสองหมบาทเมื่อมีความพอใจในอาหารมือนั้นความพอใจไปทําให้สารเคมีประเภทเอโดรฟินหลั่งออกมา2องซีซเขาก็มีความสุขเท่านั้น คนชาวบ้านธรรมดาลูกซื้อไก่ย่างห้าดาวมาฝากตัวละ80บาทกินกันทั้งครอบครัวอย่างอร่อยอร่อยเพราะไม่ค่อยได้กินมีความพอใจในอาหารมือนั้นมากทำให้สารเคมีประเภทเอนโดฟินหลั่งออกมาสองซีซีเท่ากันเขาก็มีความสุขเท่ากับเศรษฐีคนนั้นเพราะความสุขทุกมันขึ้นอยู่กับสารเคมีในร่างกายที่หลั่งออกมา ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกตามสารเคมีนั้นนันดังนั้นถ้าสารเคมีประเภทเอンドโรฟินหลั่งออกมาคนละ2ซีเท่ากันทั้งสองคนก็มีความสุขเท่ากันเพราะความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินความหรูหราแต่มันขึ้นอยู่กับความพอใจที่เป็นกลไกของการหลั่งสารเคมีนั่นเองเราจะเริ่มเข้าใจกลไกของขันหกลไกของสารเคมีและมีมุมมองที่กว้างขึ้น และไม่สงสัยว่าถ้าคนมีเงินกินอาหารอย่างรู้ในพัตตคารมือละสองหมืแต่ถ้าสารเคมีแห่งความพอใจหลังแค่หนึ่งซีซีเขาจะมีความสุขน้อยกว่าชาวบ้านธรรมดาที่ได้กินไก่ย่างห้าดาวกับข้าวและพอใจกับอาหารมือนั้นอย่างมากสารเคมีพุ่งถึงสองซีซีเขาก็ย่อมมีความสุขกว่าอีกคนแน่นอนจึงเห็นได้ว่า มันมีกลไกของธรรมชาติที่มีเหตุและผลตรงไปตรงมาถ้าไม่มีกลไกยอย่างนี้ถ้าทุกอย่างอิงอยู่กับทรัพย์สินเงินทองคนรวยก็ต้องสุขอย่างเดียวสิคนจนก็ต้องทุกตายเลยสิแต่เพราะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราจึงจะพอมองเห็นว่าความรวยความจนไม่ได้เป็นตัวชี้นำให้เกิดความสุขความทุกข์เราจึงเห็นคนรวยมากมายก็ยังมีความทุกข์อยู่ คนที่พอมีพอกินหรือคนที่รู้จักพอเขาก็มีความสุขได้ซึ่งบางคนอาจจะสุขมากกว่าคนรวยบางคนด้วยซ้าไปคนรวยที่มีความทุกข์ก็มีมากมายคนจนที่มีความสุขมีเยอะแยะดังนั้นความสุขความสงบเย็นของจิตจึงเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนสิ่งนี้ต้องทำเอาเอง นี่คือความเท่าเทียมกันตามธรรมชาติและยุติธรรมที่สุดก็คือการไขว่คว้าหาความสุขความสงบทางจิตและหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ว่ารวยหรือว่าจนต้องหาด้วยตนเองกันทั้งนั้นซึ่งจะเห็นได้จากพระอริยะเจ้าทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติ จ, จิตเพื่อการหลุดพ้นหรือผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากย่อมไม่ไดเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งสาคัญ ท่านไม่มีทำไมท่านไม่ทุกข์ทำไมท่านจึงกลับมีแต่ความสุขความสงบดังนั้นจึงต้องมองให้เห็นมองให้ทะลุใ น, นกลไกของธรรมชาติว่าความสุขความทุกข์มันเกิดที่ไหนมันเกิดได้อย่างไรและควรใช้วิธีการใดในการจัดการกับความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนีเพอเรารู้กลไกเช่นนี้เราก็ต้องหลอกล่อด้วยกุศโลบายต่างๆ เพื่อให้จิตมีแต่คิดดีมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นนิดเพื่อควบคุมให้มีแต่สารเคมีด้านบวกด้านเดียวเท่านั้นที่หลั่งออกมาเราก็จะมีแต่ความสุขได้และอาจมีมากกว่ามนุษย์ทางโลกที่มากด้วยทรัพย์สินสิอีกทำให้นึกถึงบทความจากหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าฝนปราบรายได้เขียนไว้ความห่วงใยของตัวตน บทสนทนาระหว่างท่านอภินณโทกับท่านพละเตโชท่านครับท่านทิตะธรมโมพูดกับผมเหมือนขู่ตะคอกไม่รู้ชังน้ำหน้าอะไรผมอย่างนี้ไม่มีเมตานี่ถ้าท่านเกลียดน้ำหน้าคุณขาดเมตตาท่านก็เป็นทุกข์ของท่านเองแหละอยอะห่วงเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้ขันห้าให้ถ่องแท้ว่าโดยความจริงแล้วความสุขความทุกข์นั้น มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นแต่มันมีนกลไกอื่นๆมาร่วมด้วยดังที่ยกตัวอย่างมานั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็ น, นกลไกของธรรมชาติของการเกิดเวทนาคืออารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งโดยสารเคมีถ้าลำพังตัวเวทนาของขันห้ามันไม่ได้รู้สึกอะไรไปด้วยรกเพราะมันมีหน้าที่แค่ปรุงแต่งไปตามสารเคมีเท่านั้นแต่เพราะมันมีคู่ด้วยคือจิตที่มีปัญญามโนวิญญาณ เป็นตัวต่อเชื่อมกับเวทนาอยู่แต่ระหว่างเวทนากับตัวจิตที่มีปัญญาหรือมโนวิญญาณนั้นความจริงมันไม่ได้ติดกันไม่ได้อยู่ด้วยกันและไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันแต่เพราะว่ามีอุปทานคือความยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามาดักรออยู่ระหว่างกลางนั้นคอยที่จะเชื่อมระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับตัวจิตที่มีปัญญานั้นให้เข้ามาติดกันเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนและความไม่รู้คืออวิชชาที่มีอุปทานคอยสร้างตัวตนมารองรับอารมณ์นั้นๆอยู่เสมอมันจึงมีเรากำลังอารมณ์ดีเราอารมณ์แจ่มใสเรากำลังหงุดหงิดอารมณ์เสียเรากำลังขุ่นมัวเรากำลังร้อนอกร้อนใจวิตกกังวลซึ่งแท้จริงมันไม่ได้มีตัวใครเป็นผู้ที่กำลังเกิดอารมณ์นั้นเลย มันเป็นแค่กลไกปรุงแต่งไปเรื่อยเท่านั้นเองความจริงอารมณ์มันก็สักแต่ว่าอารมณ์มันก็เหมือนความคิดถ้าเราเห็นว่ามันกำลังคิดอะไรเราก็มองมันเฉยๆได้อยากคิดก็คิดไปแต่ถ้าพอคิดกังวลปุ๊บแล้วตามความคิดปับ๊บอุปทานก็สร้างตัวเรามารองรับทันทีมันจึงมีตัวเรากำลังกังวลกาลังไม่สบายใจกาลังกลุ้มใจ ซึ่งแท้ที่จริงมันมีทางให้เลือกว่าจะเป็นแค่ผู้ ด, ดูด้วยรู้จริงๆว่าแกเป็นแค่ความคิดหรือจะเลือกว่ามีตัวตนของเราเป็นผู้ที่ต้องกังวลไปตามความคิดนั้นแต่ว่าเวทนาอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันปล่อยวางยากกว่าความคิดเพราะมันจะมีความรู้สึกที่เหมือนเป็นตัวเรามากที่สุดวางความคิดว่ายากแล้วปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนี่ยิ่งยากกว่า ดังนั้นกว่าจะรู้จริงๆว่าเวทนาหรืออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันปรุงแต่งเองมันสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเองในขันห้าและมันไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นผู้รองรับเวทนาเหล่านั้นก็ต้องค่อยๆแงการยึดติดออกไปทีละน้อยเพื่อจะละอุปทานขันห้าทีละขันนั้นหน้าเหนื่อยจริงๆดังนั้นการรับรู้ทางเวทนาหรือทางอารมณ์นั้นก็เช่นกัน อารมณ์ที่เกิดสักแต่ว่ารับรู้ก็ได้เห็นว่าขณะ น, นี้อารมณ์ซึมเศร้ากําลังเกิดขึ้นอยู่ก็รู้ว่ามันกําลังเกิดขึ้นอยู่จะไปสนใจมันทําไมให้มองเห็นสภาวะอารมณ์ในขณะที่มันเกิดอยู่นั้นตามความเป็นจริงเราก็จะมองดูอารมณ์เหล่านั้นเฉยๆได้ไม่ไปห้ามไม่ไปบังคับให้มันหายเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นมามองเห็นแล้วเราก็จะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์นั้นๆได้โดยไม่ต้องถูก เช่นของหายนาฬิกาข้อมือร่วงหายในตลาดไปหาแล้วก็ยังไม่เจอหากจะมีความยึดแม่ในนาฬิกาเรือนนั้นอยู่เมื่อกลับมาก็ต้องมีความรู้สึกเสียดายเป็นธรรมดามีอารมณ์ซึมเศร้ามีภาวะหดหูเศร้าหมองอ่อนอกอ่อนใจเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันเสียดายของความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็ น, นกลไกของขันห่า ที่มันต้องปรุงไปตามเหตุปัจจัยมันก็จะเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่มันไม่ใช่ความทุกข์แต่ถ้าคนคนนั้นไม่ยึดมั่นในนาฬิกาเรือนนั้นพอร่วงหายก็ตัดเลยความอาลัยอาวรณ์ไม่มีอารมณ์ซึมเศร้าหดหู่ก็จะไม่มีขึ้นมาเพราะมันไม่ส่งต่อความคิดไปที่เวทนานั่นเองตัวการสําคัญของเรื่องก็คืออุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราที่คอยเชื่อมเวทนาเข้าด้วยกันกับจิตที่มีปัญญานั่นเองดังนั้นคู่นี้จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดต้องแยกให้มันออกจากกันให้มันอยู่ห่างๆกันเพราะตัวจิตที่มีปัญญานั้นมันไม่ได้ติดกับขันห้ามันอยู่ข้อมันต่างหากมันเป็นผู้ดูการทำงานของขันห้ามันจะไม่ทุกเลย ถ้าไม่มีการเข้าไปรับเอาเวทนาเข้ามารวมกันอาจจะงงขออธิบายเพิ่มอีกนิดเวทนาความรู้สึกสดชื่นอิ่มเอิบหรือกระวนกระวายซึมเศร้าหดหูหม่นหมองนั้นมันเป็นภาวะที่กำลังเกิดอยู่ในขันห้าไม่ได้เป็นตัวใครของใครส่วนจิตที่มีปัญญานั้นก็มีหน้าที่แค่รับรู้อารมณ์ในขณะนั้นแค่นั้น เป็นผู้กำลังดูอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นของขันห้าแต่ทีนี้ระหว่างจิตที่มีปัญญาซึ่งทำหน้าที่ผู้ดูกับเวทนาหรืออารมณ์ที่เกิดอยู่ในขณะนี้นั้นมีตัวอุปทานอยู่ระหว่างกลางคอยที่จะดึงให้ตัวจิตไปรับผิดชอบว่าอารมณ์หดหูเศร้าหมองนั้นเป็นของเราคอยที่จะหลอกล่อให้เกิดอุปทานว่ามีตัวเราของเรามารองรับอารมณ์นั้นๆ ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นถ้าไม่ทันอุปทานก็จะมีตัวเราโผล่ขึ้นมารองรับเมื่อมีตัวเราจึงมีเราผู้มีความสุขจึงมีเราผู้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆดังที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าตัวกูตัวสูที่เผลอเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นนั่นเองหากมีสติรู้เท่าทันในความคิดในอารมณ์ในขันห้า ก็จะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาเลยดังนั้นถ้ามีสติรู้เท่าทันอารมณ์การที่จะดูเวทนาให้เห็นว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์จะหดหูเศร้าหมองจะเบื่อหน่ายจะร้อนรุ่มจะเ อ, อิบอิ่มสดใสก็มองเห็นมันไปตามนั้นวิธีการดูก็ต้องทำเหมือนดูความคิดปรุงแต่งนั่นลหละดูแบบเดียวกัน เห็นว่ามันคิดอะไรกังวลอะไรแล้วกำลังจะชวนไปทางไหนเมื่อดูเห็นแล้วก็มันจะเป็นต้องตก อ, อกตกใจมันอยากว่าใครคิดอกุศลใดๆแยกเกียตนาออกมาอย่าไปส่งเสริมมันและอย่าไปอุปทานว่ามีตัวเราเป็นผู้คิดเวทนาก็เหมือนกันมันก็ต้องดูเฉยๆเหมือนดูความคิดนั่นแหละอย่าไปให้น้าหนักว่ามันสำคัญกว่านั้น มันกำลังร้อนรุ่มกำลังวิตกกังวลกำลังหดหูเศร้าหมองกาลังเบื่อหน่ายก็เห็นว่ามันกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่ตามจริงอยู่กับอารมณ์นั้นนั้นได้โดยไม่ต้องไปทุกข์ด้วยเพราะเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นอารมณ์เช่นนั้นมันก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์ของขันมันไม่ได้เป็นอารมณ์ของใครถ้าเราเห็นว่าเวทนากำลังเร่าร้อนด้วยความโกรธหดหูเศร้าหมองด้วยความเสียใจ หรือแม้กระทั่งสดชื่นแจ่มใสด้วยความสมหวังเมื่อจิตที่มีปัญญาซึ่งกําลังเป็นผู้ดูอยู่นั้นได้เห็นแล้วว่ามันก็แค่อารมณ์ที่รุ่มร้อนมันแค่อารมณ์ที่หดหูของขันห้าเท่านั้นมันไม่ใช่อารมณ์ของใครหรือของเราเลยเมื่อจิตไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปยอมรับว่าเป็นอารมณ์ของเรามีสติดูเห็นตามความเป็นจริงความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์นั่นเอง แต่ไม่ใช่เห็นแล้วอารมณ์หดขู่เศร้าหมองจะดับลงในตอนนั้นมันไม่ดับรอกมันก็ยังคงมีอารมณ์นั้นอยู่แต่ขณะที่ระทมด้วยความเศร้าหมองแต่จะไม่ได้มีใครทุกข์กับอารมณ์นั้นจริงๆแค่มองเห็นและจำเลงดูมันแค่นั้นไม่นานมันก็ต้องหายไปอยู่ดีเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานมันก็ต้องดับไปแต่ถ้าทาบ่อย ก็จะรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นพอเริ่มเบื่อก็จะมองเห็นความเบื่อพอเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดก็จะมองเห็นความหงุดหงิดพอเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวแห้งใจก็จะมองเห็นอารมณ์ที่เศร้าซึมนั้นทันทีและจิต ท, ที่มีปัญญาก็จะเป็นผู้ดูที่ดีคือไม่ไปยุ่งกับอารมณ์ไม่ไปบังคับให้มันหายเสียทีไม่ไปบังคับให้มันเลิกหดหู่เสียทีหากมองเห็นอารมณ์ได้จริง จะไม่เข้ไปรับผิดชอบในความรู้สึกนั้นๆเลยและมันอยู่ไม่นานมันก็จะเปลี่ยนของมันเองเมื่อเห็นเราไม่สนใจมันมันก็เปลี่ยนใหม่มันเป็ น, นกลไกค้นธรรมชาติเช่นกันดังนั้นคู่สุดท้ายนี้ก็คือเวทนากับจิตที่มีปัญญาและหากเป็นผู้ดูอย่างเดียวก็จะเห็นว่าทั้งคู่นี้ไม่ได้ติดกันมีระยะห่างกันเมื่อต่างคนต่างอยู่อุปทานว่าเป็นตัวเรา สุขทุกข์ก็ย่อมไม่มีระวังแต่ตัวอุปทานเท่านั้นที่มันจะคอยแต่จะมาจับทั้งคู่เข้ารวมกันและอุปทานว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาอีกเท่านั้นแต่ถ้าตัวเราของเราพล่กออกมารับว่าเป็นอารมณ์ของเราทุกของเราอีกเมื่อไหร่อย่าตกใจก็แค่ย้อนกลับไปทุบทวนใหม่อีกครั้งแล้วค่อยๆแยกออกจากขันห้ากันใหม่ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่วนมากจะอยู่ในข่ายของอุปทานว่าเป็นความทุกข์ที่สุดใหญ่ซึ่งความทุกข์ที่เคยกลัวนั้นมันไม่ได้มีจริงไม่ได้มีตัวตนของความทุกข์จริงๆมีแต่อุปทานว่ามีตัวเราเป็นผู้ทุกข์เท่านั้นว่าจะจับได้ไล่ทันก็เท็จแย่เหมือนกันแต่ถ้าลงมือปฏิบัติจริงการแยกขันห่าออกมาจากจิตที่มีปัญญานั้นก็สามารถทําได้จริงๆ เพราะมีตัวอย่างของกลุ่มคนที่ทําได้มาแล้วนั่นเองสําหรับผู้ที่พบเจอกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หนักหนาสาหัสมากมายก็ลองพยายามแยกดูซึ่งเรียกว่าการซ้อนขันเพราะเราต้องซ้อนทั้งขัน5ให้เห็นว่ามันสักแต่ว่าร่างกายสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นซึ่งก็คือการปฏิบัติในสติปัฏฐานสีนั่นเอง หรือท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสามารถทำความเข้าใจได้นั้นก็ลองปฏิบัติดูก็ได้ค่อยๆทำไปค่อยๆดูไปและค่อยๆแยกแต่ละขันออกจากกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าความจริงมันไม่ได้มีตัวตนของตนจริงๆเป็นแค่กลไกของขันห้าจริงๆก็ขออนุโมทนาให้กับทุกๆ ท, ท่านประสบความสาเร็จในการปฏิบัติจิตและมีความเจริญในธรรมะยิ่งๆขึ้นไป